บทตั้งเด็กที่ไม่มีความสุขในชีวิตมักกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพ่อแม่ที่ทําให้ตนต้องเกิดมาส่วนพ่อแม่ที่ตกยากหรือลาบากทุกร้อนกับการมีลูกก็จะกล่าวโทษลูกว่าเป็นมารหัวขนที่เกิดผิดกาละเทศะสรุปคือถ้าคนเราจะหาความผิดกัน ก็เอาผิดกันได้ตั้งแต่เกิดทีเดียวความเชื่อเรื่องผิดตั้งแต่เกิดจึงมีอยู่เสมอมาและจะยังคงมีอยู่ตลอดไปความลับทางธรรมชาติข้อหนึ่งที่พุทธศาสนานำมาเปิดเผยคือคนเราไม่ได้ผิดตั้งแต่เกิดถ้าชีวิตลำบากถ้าชีวิตเป็นทุกข์หรือเห็นว่าการมีชีวิตคือความผิดพลาดก็หาใครมารับโทษไม่ได้เพราะต้นเหตุของความผิดทั้งปวงเริ่มขึ้นก่อนที่ใครจะมาเกิดเสอีก ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะธรรมชาติไม่ได้เริ่มต้นแบบจู่จก็ก่อให้เกิดก้อนเลือดเนื้อขึ้นมาก่อนหน้านั้นต้องมีกรรมดีบางอย่างเอื้อให้จิตวิญญาณสามารถอย่างลงในคานมนุษย์เพศหญิงได้หากปราศจากบุญเก่าของทารกเองเป็นปัจจัยหลักแล้วก็ไม่มีทางที่จิตจะปรากฏขึ้นในคานของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงระดับมนุษย์ได้เลยแม้ชายหญิงจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันนานกี่เดือนกี่ปีก็ตาม เมื่อทราบว่าบุญเป็นปฐมเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องทราบต่อไปด้วยว่าบุญหรือบาปเองก็ไม่มีทางเกิดขึ้นลอยๆเช่นเดียวกันบุญคือนามธรรมา ท, ที่บอกว่ามีการกระทำในทางดีส่วนบาปคือนามธรรมา ท, ที่บอกว่ามีการกระทำในทางร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหลงก่อบาปเพราะไม่รู้ว่าจะนำภัยมาสู่ตนหรือแม้เพลิดเพลินทาบุญก็ไม่รู้ว่า จะมีรางวัลแบบไหนมากำนันเหมือนกันขอเพียงคนเรารู้ล่วงหน้าชัดๆว่าทำบาปแต่ละครั้งจะต้องรับโทษทันอย่างไรก็จะไม่มีใครยอมเพลอทำบาปเลยสักครั้งเดียวและขอเพียงคนเรารู้ล่วงหน้าแน่ๆว่าทำบุญแต่ละครั้งจะได้รับการสมณาคุณขนาดไหนรับประกันว่าทุกคนก็จะขวนขวายทำบุญกันทั้งวันทั้งคืนโดยแทบไม่อยากหยุดพักสักนาทีเดียว แย่ตรงที่ในทางปฏิบัติแล้วธรรมชาติบีบให้พวกเรารู้สึกว่าต้องไม่รักษาศีลเท่านั้นจึงจะได้อะไรดีๆเป็นรางวัลเช่นไม่รักษาศีลจึงจะมีสิทธิ์สะใจที่ได้ฆ่าหรือทำร้ายศัตรูผู้ทำให้เราเครียดแค้นไม่รักษาศีลจึงจะมีสิทธิ์สมหวังที่ได้ฮุกข้าวของของกันอื่นมาเป็นของตนไม่รักษาศีล จึงจะมีสิทธ์เติมเต็มความฝันที่จะได้เสียบสมกับลูกเขาเมียใครไม่รักษาศีลจึงจะมีสิทธิ์โล่งใจที่ได้โกหกเอาตัวรอดไม่รักษาศีลจึงจะมีสิทธิ์สาราญที่ได้กินเหล้าเมายาหาเหตกับเพื่อ น, เ, อนเท่านั้นไม่พอในโลกที่ความเห็นแก่ตัวเป็นใหญ่การรักษาศีลดูเหมือนเป็นความดักดานของคนโง่เพราะต้องเสียประโยชน์ต่างๆนาน า, นาอีกต่างหาเช่น รักษาศีลแล้วต้องปล่อยให้ศัตรูลอยนวลรักษาศีลแล้วไม่มีทางได้ในสิ่งที่เกินกำลังซื้อหารักษาศีลแล้วต้องเอาแต่น้ำลายหกมองดูคนมีเจ้าของรักษาศีลแล้วเสียประโยชนจากการพูดความจริงและรักษาศีลแล้วเข้าสังคมที่นิยมแอลกอฮอล์ได้ยาก mm hmm. เมื่อภาพชีวิตปรากฏอยู่เช่นนี้เรายอมถามตัวเองอยู่บ่อย ว่าจะรักษาศีลไปเพื่ออะไรหากเหตุผลไม่ดีพอทุกคนยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่อยากฝืนใจต้านทานแรงขับดันทางธรรมชาติหรือแม้เมื่อรักษาศีลสำเร็จก็ไม่อยากจะชมตัวเองว่าฉลาดสักเท่าใดมุมมองทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงถ้าเราลงรายละเอียดเป็นข้อๆจนเห็นตามจริงว่าแค่ผิดที่กายก็เื้อนที่ใจได้เดี๋ยวนั้นและเมื่อใจเปื้อนบ่อย ในที่สุดย่อมมืดมนย่อมคลายคนที่หลงทางค่อยๆถูกต้อนเข้าส่วนลึกของถ้ำ ม, มากขึ้นทุกทีกระทั่งสุดท้ายก็ไปตั้งมั่นอาศัยอยู่ตรงก้นถ้ำแห่งความมืดยากที่แสงจากฟ้าใสาจะสาดเข้าไปถึงศึกษาให้ตลอดสายแล้วในที่สุดจะตระหนักว่าโหวหารเช่นไม่รู้คือไม่ผิดใช้ได้กับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ถ้าให้ธรรมชาติเป็นผู้ตัดสินธรรมชาติจะตัดสินว่าแค่ไม่รู้ก็ผิดแล้วเพราะการอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้ความไม่รู้นั่นแหละคือต้นต่อสำคัญของการทำผิดทั้งปวงในทางกลับกันยิ่งรู้จักโทษของการทำผิดกฎมากแนวโน้มของการทำผิดกฎก็มีสิทธิ์ลดลงได้เท่านั้นจึงควรอย่างยิ่งที่เราจะทราบความ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัพพะหุตสูตรด้วยความรู้แจ้งในกฎธรรมชาติของพระองค์ท่านคือดูกรภิกษุทั้งหลายการปลงชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปนั้นถ้าใครทำมากแล้วชาชินแล้วเชี่ยวชาญแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่นรกหรือไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือไปสู่เปเรตวิสัยผลแห่งการปรงชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปสถานบาที่สุด คือทำให้เป็นผู้มีอายุน้อยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ดูก่อรภิกษุทั้งหลายการลักขโมยสมบัติที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นถ้าใครทำมากแล้วชาชินแล้วเชี่ยวชาญแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่นรกหรือไปกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือไปสู่เปรตวิสัยผลแห่งการลักขโมยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้สถานเบาที่สุดคือทาให้เป็นผู้มีสมบัติพินาตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ดูกรภิกษุทั้งหลายความประพฤติผิดทางกรรมนั้นถ้าใครทํามากแล้วชาชินแล้วเชี่ยวชาญแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่นรกหรือไปสู่กําเนิดสัตว์เนรชานหรือไปสู่เปรตวิสัยผลแห่งความประพฤติผิดทางการมสถานเบาที่สุดคือทําให้เป็นผู้มีศัตรูและภัยเวรเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ดูกรภิกษุทั้งหลายการพูดเท็ตนั้นถ้าใครทํามากแล้วชาชินแล้วเชี่ยวชาญแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่นรกหรือไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือไปสู่เปรตวิสัยผลแห่งการพูดเท็จสถานเบาที่สุดย่อมทำให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคําที่ไม่เป็นจริงเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการดื่มน้ำเมานั้นถ้าใครทำมากแล้วชาชินแล้วเชี่ยวชาญแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่นรกหรือไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือไปสู่เปรตวิสัย ผลแห่งการดื่มน้ำเมาสถานเบวที่สุดย่อมทำให้เป็นบ้าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์บทต่อต่อไปจะเป็นการขยายความเพื่อให้เห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงโทษของการไม่รักษาศีลสอดคล้องกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชี้ไว้ในสัพพะรหุตสูตรทุกประการ